การสังคานาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎกแม้ในตอนต้นจะได้ระบุนามของพระเทระหลายท่านว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกก็เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านพระเทระทั้งหลายได้ร่วมกันร้อยกรองจัดระเบียบพระพุทธวจนะแล้วในสมัยของพระพุทธเจ้าเองยังไม่มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ยังไม่มีการจัดเป็นวินัยปิฎก สุดตันตะปิดกและอภิธรรมปีดกนอกจากนี้ตัวอย่างการจัดระเบียบวินัยในการสวดปฏิโมกข์ลำดับสิกขาบททุกกลึงเดือนตามพระพุทธบัญญัติและการจัดระเบียบธรรมะให้สังคีติสูตรและทัสุตรระสูต ร, ตรที่พระสาริบุตรเสนอไว้กับตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงวิธีจัดระเบียบพระธรรมแก่พระจุนทะเทระ และพระอา น, นุ์ในปาสาธิกสูตรและสามะคามาสูตรดังได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าประทานพระพุทธโอวาสไว้มากหลายต่างการเวลาต่างสถานที่กันการที่พระสาวกซึ่งท่องจํากันไว้ได้และจัดระเบียบหมวดหมู่เป็นปิฎกต่างๆในเมื่อพระศาสดานิพพานแล้วพอเทียบได้ดังนี้ พระพุทธเจ้าเท่ากับทรงเป็นเจ้าของสวนผลไม้เช่นส้มหรือองุ่นพระเทระผู้จัดระเบียบหมวดหมู่คำสอนเท่ากับผู้ที่ได้จัดผลไม้เหล่านั้นห่อกระดาษบรรจุลังไม้เป็นประเภทประเภทบางอย่างก็ใช้ผงไม้กันกระเทือนใส่แทนห่อกระดาษปัญหาเรื่องของภาชนะที่ใส่ผลไม้เช่นลังหรือหอ่อก็เกิดขึ้นคือในชั้นแรก คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวมเรียกว่าพระธรรมพระวินัยเช่นในสมัยเมื่อใกล้จะรินิพานพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานุ์ว่าธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปจึงเป็นอันกำหนดลงเป็นหลักฐานได้อย่างหนึ่งว่า ในสมัยของพระพุทธเจ้ายังไม่มีคำว่าพระไตรปิฎกมีแต่คำว่าธรรมวินัยคำว่าพระไตรปิฎกมาเกิดขึ้นภายหลังที่ทำสังขยาแล้วแต่จะภายหลังสังคยาครั้งที่เท่าไหร่จะได้กล่าวต่อไปยังไรก็ตามแม้คำว่าพระไตรปิฎกจะเกิดขึ้นในสมัยหลังพุทธบริณพาน ก็ไม่ทำให้สิ่งที่บรรจุอยู่ในพระตรายปิฎกนั้นคลายความสำคัญลงเลยเพราะคำว่าพระตรายปิฎกเป็นเพียงภาชนะกระจาดหรือลังสำหรับใส่ผลไม้ส่วนตัวผลไม้หรือในหนึ่งพุทธวัจนะก็มีมาแล้วในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระศาสนาการสวดปฏิโมก ต่างจากการสังคยานาอย่างไรการสวดปาติโมกคือการว่าปากเล่าหรือการสวดข้อบัญญัติทางพระวินัยหนึ่งห้าสิบข้อในเบื้องแรกและสองยสข้อในการต่อมาทุกทุกกึ่งเดือนหรือสิบห้าวันเป็นข้อบัญญัติทางพระวินัยที่ให้พระภิกษุทั้งหลายต้องลงฟังการกล่าวทบทวนข้อบัญญัติทางพระวินัยนี้ทุกสิบห้าวัน ถ้าขาดโดยไม่มีเหตุสมควรต้องปรับอาบัติการสวดปาฏิโมกข์นี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการบังคับให้ท่องจำซึ่งข้อบัญญัติทางพระวินัยแต่ไม่ใช่ทุกท่านสวดพร้อมกันคงมีผู้สวดรูปเดียวรูปที่เหลือคอยตั้งใจฟังและช่วยทักท้วงเมื่อผิดส่วนการสังคยานานั้นแปลาตามรูปศัพท์ว่าร้อยกรอง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 ก็มีการชำระวินิจฉัยข้อที่ถือผิดตีความหมายผิดนั้นชี้ขาดว่าที่ถูกควรเป็นอย่างไรแล้วก็ทำการสังคยนาโดยการทบทวนระเบียบเดิมบ้างเพิ่มเติมของใหม่อันเป็นทำนองบันทึกเหตุการณบ้างจัดระเบียบใหม่ในบางข้อบ้างในชั้นหลังๆเพียงการจาะลึกลงในใบลานการสอบทานข้อผิดในใบลาน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 ในสาระสำคัญที่ว่าการสวจปฏิโมกเป็นการทบทวนความจำของที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางพระวินัยส่วนการสังคยานาไม่มีกำหนดว่าต้องทำเมื่อไรโดยปกติเมื่อรู้สึกว่าควรจัดระเบียบชำระข้อถือผิดเข้าใจผิดได้แล้วก็ลงมือทำตามโอกาสอันสมควรแม้เมื่อรู้สึกว่าไม่มีการถือผิดเข้าใจผิด แต่เห็นสมควรตรวจสอบชําระพระไตรปิฎกแก้ตัวอักษรหรือข้อความที่วิปลาสคลาดเคลื่อนก็ถือกันว่าเป็นการสังคยนาดังจะกล่าวต่อไปปัญหาเรื่องการนับครั้งในการทําสังคยนาในปัจจุบันนี้ทางประเทศพมา่าถือว่าตั้งแต่เริ่มแรกมามีการทําสังคยนา รวมหครั้งโดยเฉพาะครั้งที่หรพมาร่าจัดทาเป็นการใหญ่ในโอกาสใกล้เคียงกับงานฉลอง25พุทธศตวรรษแล้วฉลองพร้อมกันทีเดียวทั้งการสังคยนาครั้งที่หและงานฉลอง25พุทธศตวรรษแต่ตามหลักฐานของพระเทระฝ่าย ไ, ไทยผู้รจนาหนังสือเรื่องสังคีติยวงหรือประวัติศาสตร์การสังคยนากล่าวว่า สังคยนามีเก้าครั้งรวมทั้งครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกทรงกระทำในรัชสมัยของพระองค์คือการสอบทานแก้ไขพระไตรปิฎกแล้วจานลงในใบลานเป็นหลักฐานโดยเหตุที่ความรู้เรื่องการสังคยนาย่อมเป็นเรื่องสำคัญในความรู้เรื่องความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นจะได้รวบรวมมติของประเทศต่างๆเกี่ยวกับการทาสังคยนา และปัญหาเรื่องการนับครั้งมารวมเป็นหลักฐานไว้ในที่นี้รวมเป็น5หัวข้อคือ 1. การนับครั้งสังคยนาที่รู้กันทั่วไป 2. การนับครั้งสังคยนาของลังกา 3. การนับครั้งสังคยนาของพมา่า 4. การนับครั้งสังคยนาของไทยหาการสังคยนาของฝ่ายมหายาน ในการรวบรวมเรื่องนี้ผู้เขียนได้อาศัยหลักฐานจากวินัยปิฎกเล่มที่เจ็พร้อมทั้งอัฏ ฐ, ฐกถาจากหนังสือมหาวงสังคิตยะวงและบทความของท่านบีจินนานดาซึ่งพิมพ์ในโอกาสฉลอง25้าพุทธศตรวรรษในอินเดียและหนังสืออื่ น, นการนับครั้งสังคยานาที่รู้กันทั่วไป การนับครั้งสังคยนาที่รู้กันทั่วไปก็คือสังคยนาครั้งที่หนึ่งที่สองและที่สามซึ่งทำในอินเดียอันเป็นของฝ่ายเทรวาดกับอีกครั้งหนึ่งในอินเดียภาคเหนือซึ่งพระเจ้ากนิส ก, กะทรงอุปธรรมอันเป็นสังคยนาผสมรวมเป็นสี่ครั้งแต่ฝ่ายเทรวาดไม่ได้รับรู้ในการสังคยนาครั้งที่สี่นั้นเพราะการสืบสายศาสนาแยกกันคนละทาง ตลอดจนภาษาที่รองรับคำภีร์ทางศาสนาก็ใช้ต่างกันคือของเทราวาดหรือศาสนาพุทธแบบที่ไทยพมา่าลังกาขเขมรลาวนับถือใช้ภาษาบาลีส่วนของฝ่ายมหายานหรือศาสนาพุทธแบบที่ญี่ปุ่นจีนที่เบตยวนและเกาหลีนับถือใช้ภาษาสันสกฤตในสมัยที่ตำราภาษาสันสกฤตสาบศูนก็มีเฉพาะคำภีร์ ที่แปลเป็นภาษาจีนและภาษาทิเบตเป็นหลักแล้วมีผู้แปลสู่ภาษาอื่นๆเช่นญี่ปุ่นอีกต่อหนึ่งสังขยาครั้งที่หนึ่งกระทำรรที่ถ้ำสัตตบันคูหาข้างเขาวเวภารบันพศใกล้กรุงราชคฤประเทศอินเดียพระมหากษัตเทระเป็นประธานและเป็นผู้สอบถามพระอุบาลีเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางวินัย พระานนท์เป็นผู้ตอบข้อสักถามทางธรรมมีพระอาหารหันต์ประชุมกันห้าร้อยรูปกระทำอยู่เจ็ดเดือนจึงสำเร็จในการนี้พระเจ้าอาชาตศัตรูทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์สังคยนาครั้งนี้กระทำภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานล่วงแล้วได้สามเดือนข้อปรากฏในการสังคยนาคือพระมาหากัสปะปรารบถ้อยคำของภิษุชื่อสุพัทะ ผู้บวชเมื่อแก่เมื่อรู้ข่าวบริณิพนธ์ของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายร้องไห้เศร้าโศกสุภัททะภิกษุก็ห้ามภิกษุเหล่านั้นมีให้เสียใจร้องไห้รอต่อไปนี้จะทำอะไรได้ตามใจแล้วไม่ต้องมีใครคอยมาชี้ว่านี่ผิดนี่ถูกนี่ควร น, นี่ไม่ควรอีกต่อไปพระมหากัสสปะสลดใจในถ้อยคาของสุภัททะภิกษุ จึงนำเรื่องเสนอในที่ประชุมสงฆ์และเสนอชวนให้ทำสังคยนาร้อยกรองจัดระเบียบพระธรรมวินยัยซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบมีข้อน่าสังเกตว่าประวัติการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เจจุลวัคอันแสดงว่าประวัติเรื่องนี้คงเพิ่มเข้ามาในวินัยปิฎกในการทำสังขยนาครั้งที่สาม นอกจากนั้นในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองแห่งการทำสังคยนานี้ไม่มีคำกล่าวถึงปี่ดกเลยใช้คำว่าวินัยวิสัชนาหมายถึงตอบเรื่องพระวินัยและธรรมวิสัชนาคือตอบเรื่องพระธรรมสำหรับครั้งที่หนึ่งและใช้คำว่าทศวัตถุปุจชาวิสัชนาคือถามตอบเรื่องวัตถุสิบสำหรับครั้งที่สอง จึงน่าจะเห็นได้ว่าสังคยนาครั้งแรกและครั้งที่สองยังไม่ได้แยกเป็นสามปิฎกแต่เรียกว่าธรรมวินัยรวมๆไปโดยรวมสุดตันตาปิฎกกับอภิธรรมปิฎกอยู่ในคำว่าธรรมหรือธรรมะสังคยนาครั้งที่สองกระทาที่วาลิการามเมืองเวสาลีแคว้นวัชีประเทศอินเดีย พระยศากากันดมุตเป็นผู้ชักชวนพระเทระที่เป็นผู้ใหญ่ร่วมมือในการนี้ที่ปรากฏชื่อมี8ดรูปคือหนึ่งพระสภากามีสองพระสาระหะสพระขุชโสพิตะสพระวาสภาคามิกะทั้งสี่รูปนี้เป็นชาปาจีนกะมีสาํานักอยู่ทางทิศตะวันออก 5. พระเรวตะห พระสัมภูตะสานวาสีเจ็ดพระยศกากันดกะบุตรและแปดพระสุมนณะทั้งสี่รูปนี้เป็นชาวเมืองปาถาในการนี้พระเรวตะเป็นผู้ถามพระสัพพกามีเป็นผู้ตอบปัญหาทางวินัยที่เกิดขึ้นมีพระสงฆ์ประชุมกันเจ็ร้อยรูปกระทําอยู่แปเดือนจึงแล้วเสร็จ สังคายนาครั้งนี้กระธรรมภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้หนึ่งร้อปีข้อปรากฏในการทำสังคายนาครั้งนี้คือพระยะสะกากันดกะบุตรปรารบข้อปฏิบัติย่อหย่อนสิบประการทางพระวินัยของพวกภิกษุวัชีบุตรเช่นถือว่าควรเก็บเกลือไว้ในขแขนงคือเขาสัตว์เพื่อเอาไว้ฉันได้ตะวันชายเกินเที่ยงไปแล้วสองนิ้ว ควรสรรอาหารได้ควรรับเงินทองได้เป็นต้นพระยะสะกากการตะกะบุตรจึงชักชวนพระเทระต่างๆให้ช่วยกันวินิจฉัยแก้ความถือผิดครั้งนี้รายละเอียดแห่งการสังคยนาครั้งนี้ปรากฏในวินัยปิดกเล่มเจ็หน้า396เเป็นต้นไปแต่ไม่ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบพระไตรปิฎก คงกล่าวเฉพาะการชำระข้อถือผิดสิบประการของภิกษุพวกวัดชีบุตรทั้งไม่ได้บอกว่าทำสังคยนาอยู่นานเท่าไรในอัตถคถาคือคำอธิบายวินัยปิฎกมีชื่อว่าสมันตปาสาธิกากล่าวว่าทำอยู่แปดเดือนจึงสำเร็จข้าพเจ้าได้กล่าวเป็นข้อสังเกตไว้ท้ายเรื่องสังขยาครั้งที่หนึ่งแล้วว่าหลักฐานในวินัยปิฎก ที่กล่าวถึงสังคยาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองไม่มีกล่าวถึงคำว่าไตรปิฎกเลยแต่ถ้ากล่าวตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือสมนตปัสปาธิกาซึ่งแต่งขึ้นอธิบายวินัยปิฎกเมื่อพุทธปรินิพานล่วงแล้วเกือบพันปีท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าการทำสังขยาจัดประเภทพระพุทธวจนะเป็นรูปพระไตรปิฎก ได้มีมาแล้วตั้งแต่สังคายนาครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองก็ทำซ้ำอีกเพราะฉะนั้นถ้าถือตามหลักฐานของอัตถกถาการสังคยนาจัดระเบียบเป็นรูปพระไตรปิฎกก็มีมาแล้วตั้งแต่การสังคยนาครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาสังคยนาครั้งที่สามได้กล่าวแล้วว่าเรื่องสังคยนาที่ปรากฏในวินัยปิฎก มีเพียงครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองส่วนเรื่องการสังคยนาครั้งที่สามมีปรากฏในชั้นอัตถกถาอันพอเก็บใจความได้ดังนี้สังคยนาครั้งที่สามกระทําที่อโศการามกรุงปาตลีบุตรประเทศอินเดียพระโมคคลีบุตรติสสะเทระเป็นหัวหน้ามีพระสงฆ์ประชุมกันหนึ่งพันรูปทำอยู่เก้าเดือนจึงแล้วเสร็จ สังคยณาครั้งนี้กระทาภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว234หรือ235ปีเรื่องปีนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานคือพระเจ้าอโศกมหาราชเสวยราช218ปีหลังพุทธะปรินิพานต่อมาอีก16ปีซึ่งบางฉบับว่า17ปีจึงได้ทำสังคยนาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องนับหนึ่งตั้งแต่ปีเสวยราช ข้อปรารพในการทำสังขยาครั้งนี้คือพวกเดรธีหรือนักบวชศาสนาอื่นมาปลอมบวชแล้วแสดงลัทธิศาสนาและความเห็นของตนว่าเป็นพระพุทธศาสนาพระโมคคลีบุตรติสสเทระได้ขอความอุปธรรมจากพระเจ้าอาโศกมหาราชชำระสอบสวนกำจัดเยรธีเหล่านั้นจากพระธรรมมวิเนยได้แล้วจึงสังขยาพระธรรมวิเนยมีข้อหน้าสังเกตว่า ในการทำสังคายนาครั้งนี้พระโมคคลีบุตรได้แต่งคำพีกระถาวัตถุซึ่งเป็นคำพีในอภิธรรมปิดกเพิ่มขึ้นด้วยตามประวัติว่าบทตั้งมีอยู่เดิมแล้วแต่ได้แต่งขยายให้พิสดารออกไปเรื่องกถาวัตถุเป็นเรื่องคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีคำถามห้าร้อยคำตอบห้าร้อยและเมื่อทำสังคายนาเสร็จแล้ว ก็ได้ส่งคณะทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆรวมทั้งพระมาหินทะเทระผู้เป็นโอรสพระเจ้าอาโศกได้นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาเป็นครั้งแรกและส่งสมณทูตไปทิศต่างๆครั้งนั้นถือหลักว่าให้ไปครบห้ารูปเพื่อจะได้ให้การอุปสมบทแก่ผู้เลื่อมใสได้แต่คงไม่ได้ระบุชื่อหมดทั้งห้า โดยมากออกนามเฉพาะท่านผู้เป็นหัวหน้าสังคยนาครั้งที่สี่การสังคยนาครั้งนี้ผสมกับฝ่ายมหายานกระทากันในอินเดียภาคเหนือด้วยความอุ ป, ปรธรรมของพระเจ้ากนิสกัได้กล่าวแล้วว่าสังคยนาครั้งนี้ทางฝ่ายเทรวาทคือฝ่ายที่ถือพระพุทธศาสนาแบบที่ไทยลาวขเขมีพมา่ลาลังกานับถือ ไม่ได้รับรองเข้าอันดับเป็นครั้งที่สเพราะเป็นการสังคยนาของนิกายสัพพติกาวาดซึ่งแยกออกไปจากเทรวาดทำผสมกับฝ่ายมหายานและเพราะมีสายแห่งการสืบต่อสั่งสอนอบรมไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกันจึงไม่มีบันทึกหลักฐานเรื่องนี้ทางเทรวาดทั้งภาษาที่ใช้สำหรับพระไตรปิฎกก็ไม่เหมือนกันคือฝ่ายมหายานใช้ภาษาสันสกฤต บางครั้งก็ปนปรากฤษฝ่ายเทรวาดใช้ภาษาบาลีแม้สังคยนาครั้งที่สามในอินเดียซึ่งกล่าวมาแล้วข้างต้นทางฝ่ายจีนและทิเบตก็ไม่มีบันทึกรับรองไว้เพราะเป็นคนละสายเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากการสังคยนาครั้งนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปในวงการของผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจึงนับว่ามีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ควรนำมากล่าวไว้ด้วยและเมื่อคิดตามลำดับเวลาแล้วก็นับเป็นสังคายนาครั้งที่สี่ที่ทำในอินเดียเมื่อประมาณพุทธศักราช643เรื่องปีที่ทำสังคายนานี้หนังสือบางเล่มก็กล่าวต่างออกไปสังคายนาครั้งนี้กระทำณเมืองชาลันทรแต่บางหลักฐานก็ว่าทาที่กาสามีระหรือแคชเมียร์รายละเอียดบางประการ จะได้กล่าวถึงตอนที่ว่าด้วยการสังคยนาของนิกายสัพพติกาวาทมีข้อน่าสังเกตคือหนังสือประวัติศาสตร์ของอินเดียเล่มหนึ่งกล่าวว่าในปีพุทธศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดพระเจ้าศรีลาธิตได้จัดให้มีมหาสังคยนาขึ้นในอินเดียภาคเหนือมีกษัตริย์ประเทศราชมาร่วมด้วยถึงยี่สิบเอ็ดพระองค์ในพิธีนี้ มีพระสงฆ์ผู้คงแก่เรียนและพราหมณ์ผู้ส่งความรู้มาประชุมกันในวันแรกตั้งพระพุทธรูปบูชาในพิธีในวันที่สองตั้งรูปสุริยเทพในวันที่สามตั้งรูปพระศิวะการสังฆทานครั้งนี้จึงมีลักษณะผสมคือทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ภิกษุที่เข้าประชุมก็มีทั้งฝ่ายเทรวาสและมหายาน แต่เมื่อสอบดูหนังสือประวัติของภิกษุเอียนจังหรือที่รู้จักในภาษาไทยคือหนังสือชื่อประวัติพระถังซำจังซึ่งบันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ด้วยกลายเป็นการประชุมเพื่อให้มาโต้แย้งกับภิกษุเอียนจังผู้แต่งตำรายกย่องพระพุทธศาสนาปมาหายานไปหาใช่การสังคยาอยยางไรไม่ที่บันทึกไวในที่นี้ด้วย เพื่อให้หมดปัญหาประวัติการสังคยนาในประเทศอินเดียการนับสังคายนาของลังกาลังกาซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเช่นเดียวกับไทยคงรับรองการสังคายนาทั้งสามครั้งแรกในอินเดียแต่ไม่รับรองสังคยนาครั้งที่สซึ่งเป็นของนิกายสัพพติกาวาสผสมกับฝ่ายมหายาน หนังสือสมันตปาสาธิกาซึ่งแต่งอธิบายวินัยปิดกลาวว่าเมื่อทำสังคยาครั้งที่สามเสร็จแล้วพระมหินทเทระผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอาโศกพร้อมด้วยพระเทระอื่นๆรวมกันครบห้ารูปได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกาได้พบกับพระเจ้าเทวานำปิยติสสะแสดงธรรมให้พระราชาเลื่อมใส และประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้แล้วก็มีการประชุมสงฆ์ให้พระอริธะผู้เป็นสิทธิ์ของพระมหินทเถระสวดพระวินัยเป็นการสังคยนาวินัยปิดกส่วนหนังสืออื่นๆเช่นสังคิตยวงศ์กล่าวว่ามีการสังคยนาทั้งสามปิดกสังคยนาครั้งนี้ประทาที่ทูปารามเมืองอนุราชพุระ มีพระมหินทเถระเป็นประธานการสังคยนาครั้งนี้ต่อจากสังคยนาครั้งที่สามในอินเดียไม่กีป่ปีคือการทำสังคยนาครั้งที่สามกระทำในปีพุทธศักราช235พอทำสังคยนาเสร็จแล้วไม่นานคือปีพุทธศักราช236พระมหินทเถระก็เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา และในปีพุทธศักราช238ก็ได้ทาสังขยนาในลังกาเหตุผลที่อ้างในการทาสังขยนาครั้งนี้ก็คือเพื่อให้พระศาสนาตั้งมั่นเพราะเหตุที่สังขยนาครั้งนี้ห่างจากครั้งแรกประมาณสถึง4ปีบางมติจึงไม่ยอมรับเป็นสังขยนาเช่นมติของฝ่ายพมา่าดังจะกล่าวข้างหน้า ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสังคยนาครั้งนี้อาจเป็นการวางรากฐานให้ชาวลังกาท่องจำพระพุทธวจนะจึงต้องประชุมชี้แจงหรือแสดงรูปแห่งพุทธวจนะตามแนวที่ได้จัดระเบียบไว้ในการสังคยนาครั้งที่สามในอินเดียฉะนั้นจึงนับได้ว่าเป็นสังคายนาครั้งแรกในลังกา